Thank you. มาที่นี่เชื่อว่าส่วนใหญ่ก็ล้วนปรารถนาความสงบถ้าจะมาหาความสบายหรือความสนุกนะที่นี่ไม่มีให้อยู่แล้วนะแล้วก็พวกเราก็คงจะไม่ได้ปรารถนานะความสนุกหรือว่าความสบายที่นี่เนี่ยเรามีความสงบนะให้กับพวกเราได้แก่ ธรรมชาติที่สงบสงัดซึ่งยังมีความเป็นป่าที่ช่วยให้เกิดความสงัดนอกจากธรรมชาติที่เป็นป่าผู้คนที่แวดล้อมพวกเราส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ได้ สร้างความวุ่นวายอะไรที่จะมากระทบจิต ก, กระทบใจแม้จะอยู่กันร้อยสองร้อยนะก็ไม่ได้ส่งเสียงดังไม่ได้ก่อความเอื้อตึกึกโครมอะไรนะส่วนใหญ่ก็อยู่กันอย่างเงียบๆนะใช้เสียงแต่พอประมาณ วิธีชีวิตที่กำหนดให้แต่ละคนปฏิบัตินะก็ไม่ได้เร่งรีบเร่งร้อนอะไรอันนี้ก็เรียกว่าเป็นบรรยากาศที่เอื้อให้เกิดความสงบพอสมควรแต่ละคนมาแล้วเนี่ยก็อาจจะยังไม่พบความสงบก็ได้สิ่งแวดล้อมอาจจะสงบแต่ข้างใน ใจไม่สงบนี่ทำยังไงให้ใจสงบนะการที่เรารักษากายวาจาโดยการมีศีล น, นะอันนี้ก็เป็นตัวช่วยให้ใจเนี่ยนะมีความสงบได้เพราะสมมุติว่าเราเกิดไปฆ่าสัตว์ไปทะเลาะเบาแวงไปทำร้ายใครนะ ลักขโมยของใครนะหรือว่าไปผิดประเวณีนะกินเหล้าเมายาแม้จะอยู่ในที่ที่สงบไม่มีเสียงรบกวนอย่างไรเนี่ยใจมันก็ไม่มีทางที่จะสงบได้มันคงจะร้อนรุ่มวิตกกังวลหวาดกลัวรู้สึกละอายนะกลัวบาป กลัวคนมาแก้แค้นกลัวทาคนมาทำร้ายนะกลัวถูกตำรวจมาจับนะสภาะเช่นนี้มันไม่ทำให้ใจสงบได้เลยแม้ว่ารอบตัวนี้จะไม่มีเสียงดังนะสงบนอกแต่ว่าสงบในเกิดขึ้นไม่ได้แต่คนนี้สมมติว่าแต่ที่จริงควรจะเป็นช่นนั้นคือว่าเมื่อเรารักษาศีล น, นะนะ ห้าได้ครบถ้วนนะอยู่ในวัดเราไม่ได้ไปก่อบปัญหาให้กับใครแต่ถ้าเกิดว่ายังคงเล่นไลน์เล่นเฟ e b o o k เปิดโทรศัพท์ออนไลน์ทั้งวันมันก็คงจะไม่มีความสงบใจอยู่นั่นเองแม้ว่าจะไม่มีเสียงดังมาจากโทรศัพท์เลยนะแต่ข้อความที่ กระนำเข้ามาวาละสองร้อยข้อความสามร้อนยะข้อความนะในนั้นก็มีการวิภาวิจารณเกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองหรือว่ามีการต่อร้าต่อเทียนกันเราอ่านก็คงจะไม่มีความสงบเพราะฉะนั้นก็สมควรที่จะปิดโทรศัพทนะ์หรือว่า เลิกใช้โทรศัพท์ชั่วคราวอย่างน้อยก็ในช่วงที่อยู่วัดนะแต่ทำอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็จิตใจอาจจะยังไม่มีความสงบเพราะว่าคิดฟุ้งซ่านคิดไปนึกถึงการกระทำที่ไม่ดีของใครบางคนคำต่อว่าด่าท อ, อาที่ไม่มีเหตุผลพอนึกถึงจิตใจก็รุ่มร้อนขุ่นมัว โกรแค้นหรือบางทีนึกถึงคนร่างที่จากเราไปไม่ใช่แค่เศร้าโศกเสียใจนะแต่ยังรู้สึกผิดว่าเรายังไม่ได้ตอบแทนบุญคุณเขาเลยหรือว่าเรายังทําดีกับเขาไม่พอเผลอเผอไปทําให้ดีเขาซะอีกนะยังไม่ทันจะขอโทษขอโพยหรือว่ายังไม่ทันจะแก้ตัวอับหมดโอกาสซะแล้ว ก็เกิดความรู้สึกผิดขึ้นมาไอ้พวกนี้ก็ทำให้ใจไม่สงบนะหรือว่าใจไปคิดถึงงานการที่ยังาคาราคาซังนี่ก้อนใหญ่ที่ใกล้ครบกำหนดชำระนะลูกซึ่งไม่รู้ว่าตอนนี้นะมีใครดูแลนะ จะทำตัวให้เป็นปัญหาหรือว่าถูกเพื่อนชักจูงไปในทางที่ผิดหรือเปล่าขณะที่เรามาอยู่นี่พอคิดแบบนี้เข้าใจก็รุ่มร้อนกังวลวิตกเห็นเจนได้ว่าแม้ว่าเราจะอยู่ในที่ที่สงบเปียงใดผู้คนอยู่ร่วมกันอย่างสันติ สมัรสมานสามัคม ค, คีไม่มีเรื่องกระทบกระทั่งไม่ก่อความวุ่นวายเอะอะหรือกระทึกไม่พลุกพล่านจอแจและข้างนอกจะสงบอย่างยิ่งนะแต่ว่าใจภายในอาจจะไม่สงบก็ได้แม้จะรักษาศีล น, นะไม่ให้ มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจมารบกวนแม้ว่าจะปิดโทรศัพท์นะหรือว่าไปอยู่ในที่ที่ไม่มีสัญญาณความสงบภายในก็ยังหาไม่เจออันนี้เพราะอะไรนะเพราะใจเพราะความคิดจริงความคิดนี่มันก็ไม่ใช่ปัญหานะแต่มันอยู่ที่ว่าเราไม่รู้ทันความคิดต่างหา ความคิดเกิดขึ้นถ้าเรารู้ทันมันน ะ, ะเราก็เป็นนายมันแต่ถ้าเราไม่รู้ทันมันมันก็กลับเป็นนายเรานะคิดเรื่องอดีตนะก็พัดหลงเข้าไปในความคิดในความทรงจำเกี่ยวกับอดีตที่เจ็บปวดนะที่ไม่สวยเราก็ทุกข์เลย แต่ถ้าเรารู้ทันมันนะมันก็มาครอบงารังความจิตใจเราไม่ได้ความคิดเกี่ยวกือเรื่องงานการนี่ที่เราไม่ได้ชาระนึกถึงลูกมันผลขึ้นมาในใจแต่ถ้าเรารู้ทันมันนะมันก็ทำอะไรจิตใจเราไม่ได้แต่เป็นเพราะว่า เราไม่รู้ทันมันนะมันก็เลยครอบงำจิตใจแล้วถึงกับผลักให้เรานะทำในสิ่งที่ไม่สมควรต้องเสียใจในภายหลังก็กลายเป็นมีเรื่องเดือดอร้อนใจซ้ำเติมเข้าไปอีกไอความคิดที่เราไม่รู้ทันเนี่ยนะ มันจะคอยเป็นตัวซ้ำเติมเราเงินหายแหวนเพชรถูกขโมยไปทรัพย์สมบัติถูกโกงแล้วถ้าไม่รู้ทันนะความคิดนะมันจะไม่ใช่แค่เสียทรัพย์เท่านั้นใจก็เสียด้วยนะใจเสียมากๆเข้าสุขภาพจิต ก, ก็แย่ แล้วใจไม่ใช่แค่เสี ย, ยงเดียวนะต่อไปพอกินไม่ได้นอนไม่หลับนะเอาแต่คุ้นคิดถึงทรัพย์สมบัติที่สูญหายก็เจ็บป่วยนะกินไม่ได้นอนไม่หลับเจ็บป่วยสุขภาพกายเสียอีกนะถึงแม้สุขภาพกายไม่เสียแต่ว่าพอไปทำงานมันไม่มีกระจิกระจายทํางาน เพอเพอเมอรอยงานเสียอีกแล้วก็จะเสียออื่นตามมาทะเลาะ ก, กับเพื่อนรวมงานระบายอารมณ์ใส่เขาเขามาหยอกเขามาเซวแต่ก่อนเราก็หยอกเซวกับแต่ครานี้ไม่มีอารมณ์นะจะเซวกับมีแต่จดากลับไปทะเลาะบอกแวงกันเสียเพื่อนนะ บางทีถึงกับเสียผู้เสียคนนะเพราะว่าทำในสิ่งที่ไม่สมควรอลาวาดเอตโตโรนะกลางบริษัทกลางสานักงานกลางที่ชุมชนนะกลายเป็นว่าแทนที่จะเสียแต่ของเสียแต่เงินอะเสียใจเสียสุขภาพเสียงานเสียเพื่อนเสียผู้เสียคน มีบาคนเติมเข้าไปอีกนะใช้คำที่แรงหน่อยคือเสียหมานะอันนี้เพราะความความที่หลงจมพลัดเข้าไปในอารมณ์ที่มันเป็นอกุศลโดยเพราะความโกรธนะความน้อยเนื้อต่ำใจทั้งหมดนี้มันเริ่มมาจากความคิดนะธรรมดาคนลราก็ยอมอดไม่ได้ที่จะคิดถึงเรื่องที่ผ่านไปแล้วบ้าง คิดถึงเรื่องที่ยังมาไม่ถึงบ้างแต่ถ้าเรารู้ทันมันนะอ่าเราก็จะวางมางันลงนะความฟุ้งซ่านนี่มันเกิดจากความเผลอเกิดจากความลืมตัวเผลอหรือลืมตัวเนี่ยก็คือไม่มีสตินะแต่พอมีสตินะเกิดความรู้ตัวขึ้นมา ใอ้ความคิดเหล่านั้นมันก็เลือนหายไปถ้าจมอยู่ในอารมณ์พอรู้ตัวเข้าจิตมันก็หลุดจากอารมณ์นั้นหรือว่าสลัดอารมณ์นั้นออกไปจากใจอันนี้แหละนะที่จะทำให้จิตเราเนี่ยมีความสงบไม่ใช่สงบเพราะเพราะว่าสิ่งแวดล้อมนะมันเงียบสงัด อันานั้นไม่พอเนะสิ่งว่าล้อมเงียบส ง, งัดผู้คนรอบตัวทำประพฤติตนน่ารักนะไม่ทะเลาะเบาแวงกันแต่เราก็ยังไม่มีความสงบใจถ้าเกิดว่าปล่อยให้ใจฟุ้งซ่านคิดปรุงแต่งสารพัดต่อเมื่อเรามีสติรู้ทันนะความคิด ความสงบภายในเนี่ยจึงจะบังเกิดขึ้นได้เราคิด ว, ว่านี่คือเหตุผลที่ทำให้หลายคนนะมาที่นี่นะไม่ใช่แค่มาวัดมาได้สัมผัสกับบรรยากาศที่สงบสิ่งแวดล้อมที่ไม่อึกทึกว่าวุ่นแต่มาปฏิบัติ ด, ด้วยมาปฏิบัติคือมาฝึกจิตฝึกใจจะก็ต้องเข้าใจให้ถูกนะว่า ความสงบภายในเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการที่ไปบังคับจิตไม่ให้คิดบางคนเข้าใจอย่างนั้นมาเพื่อว่ามันจะได้หยุดคิดนะแล้วหยุดคิดที่นึกออกคือการบังคับจิตไม่ให้คิดนมันทําไม่ได้นะเพราะว่าธรรมชาติของจิตเนี่ยมันก็คิดน้นคิดนี้อยู่แล้วโดวยเพราะจิตที่เราสะสม นิสัยคิดฟุ้งซ่านกันมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกเราไปบ่มเพาะนิสัยฟุ้งซ่านให้กับจิตของเรามาตั้งแต่เกิดตั้งแต่รู้ความกี่ปีแ ล, ละนะ้วล่ะยี่สิบปีสามสิบปีสี่สิบปีงั้นจะให้มันหยุดคิดเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยยิ่งมาพิจารณาว่าจิตเนี่ยมัน ไม่ใช่ของเรามาเป็นอนัตตาอนัตตาแปลว่าไม่ใช่ของเรานะไม่อยู่ในวิสัยที่เราจะควบคุมได้ก็เหมือนกับร่างกายเนี่ยนะไม่ใช่ว่ามันเป็นของเราถ้าเป็นของเราเราก็ควบคุมมันได้แต่เราควบคุมไม่ได้อยากให้มันพร้อมมันก็ไม่พร้อมอยากให้มันไม่แก่มันก็ยังแก่ อยากให้มันแข็งแรงมันก็ป่วยกระสอบกระแสะนะแต่ว่าเราสามารถสร้างเหตุสร้างปัจจัยหรือว่าฝึกฝนได้นะฝึกฝนให้ร่างกายนี้เข้มแข็งแข็งแรงหรือว่าดูแลใจใส่ให้ร่างกายนี้มีสุขภาพดนะีจิตใจก็เหมือนกันนะมันไม่ใช่ของเราเราไม่สามารถจะควบคุมบัค บ, บัญชาได้อย่างที่ปรารถนา แต่ว่าเราสามารถฝึกได้เฮ้ยจะฝึกอย่างไรนะถ้าฝึกให้ไม่คิดเลยเนี่ยนะมันเป็นไปไม่ได้นะเพราะธรรมาชาติของจิตเนี่ยมันก็ชอบคิดนะเป็นนิสัยของเขาแต่สิ่งที่เราทําได้คือฝึกให้มีสติรู้ทันนะรู้ทันความคิดพอรู้แล้วเนี่ยนะมันก็จะวาง ความคิดมันก็จะดับเลือนหายไปถ้าเป็นความคิดฟุ้งซ่านที่เผลอคิดเนะี่ยเวลาเรามาเจริญสติที่นี่เนี่ยนะกะ็ตั้งวางใจให้ดีนะทคข้มก็ใจะให้ถูกนะว่าเราไม่ได้มาฝึกเพื่อที่จะบังคับจิตไม่ให้คิดนะแต่เราฝึกเพื่อจะได้มีความรู้เท่าทัน นะพอมีความคิดเกิดขึ้นก็เห็นมันอย่างทันท่วงทีนะคําว่ารู้ทันเนี่ยก็เหมือนกับคาว่าเห็นนะแต่เราไม่ได้เห็นด้วยตาเนื้อเราเห็นด้วยตาในตาในก็คือสติสติทันวาที่ทาให้เห็นความคิดและรมเมื่อมันเกิดขึ้นมาแต่ก่อนที่จะเห็นเห็นความคิดก็ต้องฝึกขั้นตอนที่ง่ายกว่า น, นั้นก่อนก็คือนะเห็นกาย เห็นกายนี่ไม่ได้ใช้กระจกนะมาส่องมองดูหน้าตัวเองหรือร่างกายตัวเองแต่ก็ใช้สติเหมือนกันนะเห็นกายกหมายความรู้กายเวลากายมันทำอะไรกายเคลื่อนไหวนะใจก็รับรู้นะใจรับรู้ก็คือใจนะมีสตินะเวลายกมือก็ รู้ว่ามือกําลังยกแม้ปิดตาก็ยังรู้ว่ามือยกพ่อแหลเพราะว่ามันรู้สึกนะมันรู้สึกว่ามือเคลื่อนไหวนะาการรู้นี้ไม่ใช่รู้ด้วยตาเนื้อนะมันรู้ด้วยตาในคือสติอันนี้เป็นขั้นตอนพื้นฐานที่ควรเริ่มก่อนก็คือว่าเพราะว่ามันกลายเป็นกลายเป็นสิ่งที่หยาบการเคลื่อนไหวเนี่ยนะ เวลาเคลื่อนไหวเนี่ยมันมีความรู้สึกที่รับรู้การเคลื่อนไหวได้เพราะว่าการเคลื่อนไหวนะั้นมันเป็นการเคลื่อนไหวที่หยาบนะรู้กายหยาบหยาบก่อนหรือว่ารู้รับรู้ความเคลื่อนไหวที่มันหยาบๆยาบก่อนคือความเคลื่อนไหวของกายไม่ไว่าจะยกมือไม่ไว่าจะเดินจงกรมไม่ไว่าจะล้างหน้าถูฟันอาบน้ำนะ วันนี้เป็นการเคลื่อนไหวที่หยาบถ้าเราเริ่มต้นที่ตรงนี้เนี่ยนะต่อไปสติก็จะไวพอที่จะรับรู้การเคลื่อนไหวที่ที่ละเอียดนั่นคือความเคลื่อนไหวของใจใจเคลื่อนไหวอย่างไรมันเคลื่อนไหวในรูปของการคิดนะแล้วก็รู้สึกรู้สึกในที่นี้หมายถึงอารมณ์นะเช่นอ่า ใจก็ะเพื่อมเกิดความยินดียินร้ายเนะี่ยตอนนั้นใจก็เพิ่มแล้วได้ยินเสียงเพลง อ, อ่ใจมันยินดีอ่ะตอนนี้ก็ใจก็เพิ่มขึ้นได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์นะเกิดความสึกยินร้ายนะใจก็เพิ่มลงมีคนชมใจฟูมีคนต่อว่าใจแฟบหรือบางทีไม่ชมนะไม่กดไลค์เนะี่ยแค่นั้นก็พอแล้วที่ทําให้ใจแฝดนะอันนี้ก็เรียกว่าใจมันเคลื่อนไหวนะ กับเพิ่มเนี่ยก็มีสติรู้ทันนะมันเริ่มต้นจากรู้ความเคลื่อนไหวที่หยาบคือรู้กายแล้วต่อไปใจหรือสติก็จะไวที่จะรู้การเคลื่อนไหวที่ละเอียดใจมันจะคิดยังไงอย่าไปห้ามแต่อย่าไปส่งเสริมอย่าไปยุนะไม่ใช่ไปหาเรื่องคิดนะมันจะคิดยังไงก็เป็นให้เป็นธรรมดาของมันเพราะเป็นธรรมชาติหน้าที่ของเราคือว่า เตือนเรียบนะหรือว่ารู้ทันความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตนะเรียบเหมือนกับนะชาวบ้านที่พาวัวเนี่ยออกไปไร่นะปกีิชาวบ้านนี้เขาจะให้วัวเนี่ยมันเดินหน้าแล้วชาวบ้านก็เดินตามหลังหน้าที่ของวัวคือเดินตามทางไปสู่ไร่นา แต่บางครั้งวัวเนี่ยมันก็จะเผลอแว บ, บฉลับเอาไปกินหญ้านะหรืออาจเผลอไปกินข้าวนะในนาของคนอื่นหน้าที่ของชาวบ้านคือว่าเรียกนะเรียกวัวให้มันให้มันกลับมาเดินบนทางแต่ถ้าเกิดว่าชาวบ้านหรือเจ้าของวัว เผลอนะใจลอยนั่งฟังอะยืนอะเดินฟังวิทยุนะไอ้ช่วงนั้นวัวเนี่ยมันอาจจะกำลังเดินไปไกลแล้วก็ได้แต่ไม่ใช่เดินเขาไปไปตามทางนะมันออกไปกินไร่เอาไปกินหญ้าหรือว่ากินอผักนะของชาวบ้านคนอื่นข้างทางกว่าจะรู้ตัวมันก็ทำความเสียหาย นะให้กับแปลงผักหรือว่านาข้าวของคนอื่นไปแล้วนะอันนี้เพราะว่ารู้ตัวช้าไปนะเห็นช้าไปนะแต่ถ้าเจ้าของเนี่ยเขาจดจ่อใส่ใจนะเพียงแค่วัวเนี่ยมันเริ่มจะเดินก้าวเดินไปจากทางนะเพื่อไปกินผักของชาวบ้านคนอื่นเนี่ยนะเขาก็รู้แล้ว แล้วก็เรียกมันเพราะเรียกมันวัวมันก็ได้สตินะมันก็ไม่ทามันก็กลับไปเดินตามทางเนี่ยการปฏิบัติการจราติเนี่ยของพวกเราคล้ายๆอย่างนั้นแหละก็คือว่าวัว น, นี่เปลี่ยนเหมือนจิตนะส่วนทางเนี่ยก็เปลี่ยนเหมือนกับว่ากายหรือความรู้สึกนะเราต้องการให้ให้ใจเนี่ยมนรับรู้กายนะ รับรู้กายรับรู้การเคลื่อนไหวของกายอันนี้ก็เป็นเหมือนทางหนะ้าที่ให้วัวเดินแต่ว่าวัวนี่เวลาจิตมันเผลอเนี่ยนะจิตมันเผลอแบบไปอดีตบ้างไปอนาะคตบ้างก็เหมือนกับวัวที่มันเผลอฉลาออกไปนะกินอะไรต่ออะไรข้า ง, างทางหรือไปก่อความเสียหายให้กับนางคนอนื่นเคขาส่วนเจ้าของวัวคือสตินะ ใหม่ๆเนี่ยนะก็จะไม่ค่อยจดจ่อเท่าไหร่หรอกนะเหมือนกับเด็กที่เนะพิ่งมาเลี้ยงวัวนะก็เอาแต่ฟังเพลงนะจากวิทยุไอ้วัวไปไปไหนไม่รู้ไปไกลแล้วนะไม่รูนะ้กว่าจะรู้ก็โอ้โหมันก็ไปทำอะไรต่ออะไรอยู่นานแล้วต้องเรียกมัน เรียกมันยังไม่ยอมไปไม่ยอมกลับมันได้ซ้ำนะต้องเรียกบ่อยๆจนถ้ามันกลับมาอันนี้คือสติของคนที่เพิ่งเริ่มปฏิบัตินะแต่พอปฏิบัติไปนานๆเนี่ยนะก็เหมือนกับเจ้าของวัวที่ไวนะพอวัว น, นี่มันเริ่มจะออกไปนะกินผักกินหญ้านะข้างทางเนี่ยรู้แล้วนะสติที่ไวเนี่ยมันก็จะรู้นะว่ามันรู้ทันนะพอจิตเนี่ยเผลอ แหบออกไปนอกตัวออกไปเรียกว่าส่งจิตออกนอกนะก็รู้ทันคนที่เลี้ยงวัว น, นี่เขาไม่ไม่ใช้วิธีนะจูงหรือบังคับวัว น, นะผูกมันเอาไว้มันทำไม่ได้เพราะวัวเนี่ยมันแรงเยอะนะถ้าเดินลากวัวไปเพื่อจะได้มั่นใจว่ามันจะไม่ฉลับออกไปสองข้างทางเนี่ยนะคงเหนื่อยหน้าดูเลยนะชาวบ้านเขาไม่ได้ ไม่ได้ทำงั้นเขปล่อยวัวมันเดินไปตามทา ง, างแล้วเขาก็เดินตามหลังไม่ใช่จูมันแบบตะพืตะพือเพื่อไม่ให้มันนะออกไปเอข้างทางเราคืนทํางั้นเหนื่อยนะเราก็ไม่ทำงั้นกับจิตเหมือนกันนะก็ค mm ือ hmm. ไม่ใช่ไปบังคับมันไม่ใช่ไปบังคับจิตให้มันอยู่กับกายบางคนพยายามบังคับจิตให้มันอยู่กับมืออยู่กับเท้านะนะหรือพยายามบังคับจิตไม่ให้คิดเนะี่ยทําอย่างนี้เนี่ยนะก็จะ ไม่สำเร็จหรอกนะแล้วก็เหนื่อยนะเครียดนะถ้าเครียดเนี่ยถ้าทำแล้วเหนื่อยเครียดเนี่ยแสดงว่าทำผิดละไปบังคับจิตนะไม่ให้คิดบ้างหรือไปเพ่งไปบังคับจิตให้มันเพ่งที่มือที่เท้าปล่อยให้จิตเนี่ยมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันหน้าที่ของเราคือฝึกฝึกให้รู้ทันนะอาการของจิตนะ แล้วถ้าทํานี้บ่อยๆเนี่ยจิตมันก็จะเริ่มเชื่องเหมือนกับเจ้าของวัวที่เรียกวัวบ่อยๆนะไม่ปล่อยให้วัวทะเลถลายไปไกลแล้วค่อยไปเรียกนะอันนั้นนะ่ะมันจะเชื่องยากนะแต่ว่าแต่ถ้าทำ บ, บ่อยๆทำบ่อยๆเนี่ยมันก็จะเริ่มเชื่องมันก็จะรู้มันจะเผลอทําตามใจสักพักมันก็กลับมารู้หน้าที่ของมัน หรือเปลี่ยนให้มันง่ายก็เหมือนกับว่าเรามีลูกหมานะลูกหมาน่ารักนเราก็อยากให้มันอยู่บ้านแต่ถ้าเราใช้วิธีไปล่ามโซ่มันเอาไว้ขังมันไว้ในกรงมันก็จะกลายเป็นหมาที่ดุได้เป็นหมาที่อารมณ์เสียสุขภาพจิตแย่สังเกตดูนะหมาที่เราล่ามเอาไว้เนี่ยมันจะมีนิสัยก้าวร้าวนะพอมันโตขึ้นมันทางที่ดีคือปล่อยมัน แต่เมื่อปล่อยไปแล้วเนี่ยก็หมายความว่ามันอาจจะออกไปเล่นนอกบ้านหน้าที่ของเราคือว่าพยายามเรียกมันมันออกไปนอกบ้านเมื่อไหร่เราก็ต้องรู้ให้ไหวแล้วก็เรียกมันแต่ใหม่ๆเนี่ยนะเราไม่มีประสบการณ์ล้าก็ลืมอาจจะไม่ค่อยละเอียดรอเท่าไหร่มันออกไปนอกบ้านไกลแล้วเนี่ยนานแล้วถึงค่อยรู้และเรียกมัน เรียกมันใหม่ๆมันก็ไม่ค่อยออกไม่ค่อยกลับนะแต่ถ้าเราเรียกบ่อยๆเรียกบ่อยๆเรียกบ่อยๆมันออกไปปุ๊บเรารู้ปั๊บเรียกมันอ่าต่อไปมันก็จะรู้หน้าที่พอมันรู้หน้าที่คือเชื่องเนี่ยต่อไปมันเผลอออกไปนอกบ้านแค่ไม่กี่ก้าวมันก็ชะงักแล้วมันรู้ว่าอันนั้นไม่ใช่หน้าที่หรือที่ทางของมันนั้นทิศทามันคืออยู่บ้าน ต่อไปไม่ต้องเรียกแล้วนะมันรู้เองเพราะมันได้รับการฝึกนะจิตของเราเนี่ยฝึกได้นะถ้าเราใช้สติเรียกให้จิตกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวบ่อยๆเนี่ยนะต่อไปมันก็จะกลับมาเองหรือกลับมาได้ไวขึ้นไวขึ้นนะวิธีนี้มันให้ผลยั่งยืนกว่าไปล่ามันเอาไว้หรือไปบังคับจิตนะ้าไปบังคับจิตเนี่ยนะ พอเราหยุดบังคับมันแล้มันก็ไปเล ย, เยไปแบบเตอพื้นเตอพื้นเตลิดเปิดเปิงแต่ถ้าเราฝึกสตินะให้รู้ทันเนี่ยสติมันจะทำหน้าที่นะโดยอัตโนมัติเสร็จแล้วเนี่ยทำานี้ไปบ่อยๆจิตมันก็จกนะรู้ที่รู้ทางนะจิตก็จะอยู่กับนึ ก, กตัวอยู่อย่างต่อเนื่องก็จะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นนะความรู้ทันนะ ความคิดและอารมณ์ก็จะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วมีอะไรมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายรวมทั้งใจนะจิตกระเพื่อมเรารู้ทันปุ๊บอ่าก็ไม่ปล่อยให้คิดปรุงแต่งต่อไปเสียงดังแต่ว่าใจก็สงบได้เพราะว่าเรารู้ทันนะเมื่อใจมันกระเพื่อม ทันทีที่เสียงมากระทบหูใจกับเพื่อบอรู้ทันสติทำให้ใจกลับมาเป็นปกติวิธีนี้มันจะทำให้เรานะเรียกว่าครองตนได้อย่างแท้จริงนะคำว่าครองตนเนี่ยนะก็หมายถึงว่าการนะดูแลรักษาตนตนในที่นี้เนี่ยก็หมายถึงจิตใจเป็นสำคัญนะ เพราะใจเป็นใหญ่นะใจเป็นหัวหน้าอย่างที่เราสวนเมื่อสักครู่ทำทั้งหลายสิ่งทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จที่ใจงั้นถ้าเราใจของเราเนี่ยเป็นปกตินะมีสติมีปัญญากากับเราก็สามารถคลองตดได้อย่างแท้จริงแต่ถ้าเราไม่มีสติก็จะถูกอารมณ์ครอบงํา และอารมณ์ครอมงนแล้วถ้าเป็นอารมณ์อกุศลมันก็พาเราเสียผู้เสียคนนะลืมตัวลืมตนไม่มีวิธีใดที่เราจะครองตนได้ดีเท่ากับการมีสติรักษาใจด้วยนี้พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยผู้ที่มีสติครองตนแล้วเนี่ยย่อมอยู่เป็นสุขนะพยายามครองตนให้ได้นะก็คือมีสตินะรักษาใจ นะถ้ายังไม่มีสติรักษาใจหรือว่าสติอ่อนแอเนี่ยก็ยังเรียกว่าครองตนไม่ได้ถึงแม่เป็นผู้ใหญ่นะก็อาจจะเป็นท่าของกิเลสเป็นหรือว่าตกไปเป็นท่าของอบายมุขนะถูกอารมณ์ครอบ ง, งํามโดยเฉพาะความโกรธความก้าวร้าวนะเราเห็นคนจํานวนมากเนี่ยเขานะไม่สามารถคลองตนได้ มันไม่ได้มายถึงเขาเมาไม่เลยนะเวลาเราเมาไมยนี่ก็เห็นเลยนะว่าเขาไม่สามารถคลองตนได้แต่ถึงแม่แมแมมไม่เมามายด้วยเหล้าแต่อาจจะเมาอารมณ์เมาความเมาความโกรธนะเมาความหลงตอนเมื่อมีส ต, ตินี่แหละจึงจะคลองตนได้แล้วเมื่อคลองตนได้นะจึงจะอยู่เป็นสุขนะคํานี้ก็พูกันเท่านี้นะอครับครับ